มิหนำเขายังมาตําหนิท่านเป็นเชิงชมเชอิอยู่อย่างลึกลับด้วยว่าทางจงกรมอย่างนั้นตูเจ้าก็เดินได้ดูแลมีแต่ต้นไม้เครือเขาเทาวันเต็มไปหมดตูเจ้าไม่ใช่หมูพอจะเดินบุกป่าฝ่าดงไปอย่างนั้นแต่ทําไมยังอุตส่าห์เดินบุกไปได้เมื่อเขาถามว่านี่ทางอะไรก็บอกว่าทางเดินหาพุทโธพุทโธพุทโธโรหายเมื่อเขาถามว่านั่งหลับตาอยู่นิ่งๆนั้นนั่งทําไมก็บอกว่านั่งหาทําบ้าง